ท่าบริษัททั้งหลายและประโยคาวจอนทั้งหลายสําหรับวันนี้ท่านนั่นหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานไปกรรมฐ า, านแล้ววันนี้ก็ขอให้ศึกษากันนั่นถึงด้านในการเร่งรัดในการปฏิบัติแต่ว่าตามที่ทุษา ม, มาก็าเป็นกา ร, รศึกษาตามลําดับ ตั้งแต่อนาปานุสติกรรมธานมาจนทั่งถ้งหมดกรรมฐานสี่สิบจุดนั้นที่ว่าเป็นจุดการศึกษาแต่ว่าเห็นว่ากำลังใจเขาท่านหลายที่ฝึกปฏิบัติมามีความเข้มข้นพอ แต่นั้นถ้าหากว่าท่านหลายที่มีความมุ่งหวังจะศึกษาตามลำดับถ้ากําลังใจยังอ่อนก็ทําได้ตามอธัธยาศัยแต่ว่าถ้าท่านบุไดเห็นว่ามีกําลังใจของเข้มข้ น, นพอแล้วก็ศึกษาตามต่อตามข้อต่อไปนี้เมื่อวานนี้ได้พูดกันมาถึงอวิชชาและก็วิชาอาวิชชาแปลว่าไม่รู้อริยสัจ พูดง่ายๆสาหรับวิชาก็ว่าธรรมสัญาณแปดคำว่าวิชาที่ว่าถึงมญาณแปก็เพื่อความรู้จริงว่าความรู้ในทางเราพุทธศาสนาเป็นความรู้ในกรณีพิเศษนอกจากจะเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังมีความรู้พิเศษอีกแปดอย่าง ซึ่งสามารถจะทำได้สุดแรกแต่กาลังใจขุมมันดาทัลพุตรบริษัทวันนี้เราก็มาคุยกันถึงเรื่องที่เราจะกำจัดอวิชชาการที่จะกำจัดอวิชชาอันดับแรกเราก็ต้องมุ่งหวังกันใ น, นด้านเรืองความทุกข์ก่อนทำไมเราจึงรู้จักคำว่าทุกข์ แต่ว่าสำหรับเรื่องนี้เมื่อวานนี้ก็ได้พูดมาแล้วว่าทุกข์คืออะไรเป็นที่เรื่องอันไปเป็นเหตุที่ท่านนัายพิจารณาทุกฟังกันมานานแล้วแต่เพื่อว้ย้าความรู้สึกของท่านนันไก็มีความเข้าใจว่าความไม่สมบายกายไม่สมบายใจเรียกว่าเป็นทุกข์ สำหรับความไม่ส บ, บายกายไม่ส บ, บายใจที่เราเรียกกันว่าเป็นทุกข์ก็ต้องมาย้อนกันอีกว่าไอ้คาว่าไม่ส บ, บายกายไม่ส บ, บายใจที่เราวันทุกขนะ์เน่ะมันอะไรมันเป็นเหตุของความทุกข์เพรว่าอะไรมันเป็นเหตุของความทุกข์เหตุของความทุกข์จริงๆก็คือตัณหาได้แก่ความทะยานอยาก เมื่อเรามีตันหาขึ้นแล้วร่างกายมันจึงมีพอรมจิตเรามีตันหามันยังมีร่างกายร่างกายเป็นจุดรับภาระของความทุกข์ทั้งหมดขึ้นชื่อว่าทุกๆอย่างที่เราจะมีขึ้นมาไดก้ก็อาศัยร่างกายเป็นสำคัญถ้าเราไม่มีร่างกายแล้วก็เราก็หมดตันหา ถ้าหมดต้นสองอย่างคือหมดตัณหาก็ชื่อว่าหมดร่างกายถ้าเราไม่ติดอยู่ในร่างกายก็ชื่อว่าหมดตัณหาคําว่าไม่ติดในร่างกายก็หมายถึงว่าไม่ติดอยู่ในร่างกายของเราด้วยแล้วก็ไม่ติดอยู่ในร่างกายของบคลอื่นด้วยอารมณ์ไม่ติดอยู่ในวัตถุธาตุใดๆด้วยเย่ะโดยยอมรับนับถือกฎของธรรมดา ที่เราเรียกกันว่าวิปัสสนาญาณตัวสุดท้ายการยอมรับนับถือนี่ก็หมายถึงว่าอารมณ์มันเฉยคำว่าอารมณ์เฉยไม่ได้หมายความอารมณ์ไม่คิดตามที่เขาบอกว่าอารมณ์ว่างว่างโดยไม่คิดอะไรเลยนั้นไม่มีในชีวิตของคนแต่อารมณ์เฉยในที่นี้เป็นอารมณ์คิด คิดไม่เร่าร้อนคิดถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเหตุปกติในเมื่อความทุกข์ใดๆเกิดขึ้นจากร่างกายก็ถือว่านี่มันเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายหรือคันห้าคันห้าเป็นโรคคณิตทางจัดว่าเป็นรังของโรคในเมื่อมีคันห้าเึ็นมนแล้วโรคมันก็รบกวน โรคอันดับต้นที่เรียกว่าชิคัตฉาปรมาโลคาขึ้นชื่อว่าความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งหนึ่ว่าโรคปวดนั่นโรคเจ็บนี่โรคไม่สบายโน่นโรคไม่สบายนี่อาการอย่างนี้ถือว่าเป็นโรคโรคะแปลว่าการเสียแทงในร่างกายเป็นที่ฝังของโรค มันในเมื่อโรคเกิดขึ้ น, นการเสียดแทงเกิดขึ้นมันก็มีอารมณ์เป็นทุกข์ถ้าเราจิตไปจับในเกาะยืนร่างกายมันก็เป็นทุกข์ในร่างกายนอกจากเป็นโรคก็เป็นอนิจจังหาความเที่ยงหาความทรงตัวไม่ได้วันนี้ผ่องใสพวันนี้เศร้าหมอง วันนี้ร่างกายก็ปี้กระเป๋าพวกนี้เปียกเปรียววันนี้นมร่วงขึ้นทีวันเขาแก่แก่ไปทุกวินาทีและในที่สุดร่างกายก็เป็นหน้าตาคือผังมองดูร่างกายอย่างเดียวพอถ้าเราปลดร่างกายของเราได้แล้วเราก็ปลดทุกสิ่งทุกอย่างได้ในโลก อันนี้มาว่ากันถึงการจะปลดร่างกายจะมานั่งปลดเพียเฉยๆอย่ามองทุกข์กันเฉยๆมันก็มองไม่เห็นมองเห็นไม่กันแต่มันไม่ชัดองค์สมเด็จพระทสุธรรมปีโสภาคแปะชันแดงกดเครื่องการปลดทุกข์คือปลดอารมณ์แห่งความทุกข์สร้างอารมณ์ความสุขให้เกิดขึ้นกับใจ มีอยู่สิบอย่างด้วยกันคือหนึ่งทานบารมีสองศีลบารมีสามเนคขมบารมีสี่ปัญญาบารมีห้าวิรญาบารมีหกขันติบารมีย็ดสัจจบารมีแปดอธิฐานบารมีเก้าเมตตาบารมี แล้วก็สิบอุเบขาบารมีคำว่าบารมีนี่แปลว่เต็มเมื่อเต็มแล้วก็ต้องเต็มจริงๆเป็นอันว่าถ้าบารมีทั้งสามรการเอทังสิบระการนี้เต็มครบท้วนบริบูรณ์ที่เรียกกันว่าปรมัทบารมีสำหรับพระสาวกนะ ไม่ใช่อันดับขั้นพระพุทธเจ้าสำหรับขั้นภาษาวกนี้ใชอารมณ์ต่ําอารมณ์ไม่สูงนะักไม่ใช่ขั้นพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าบารมีทั้งสิบรายการนี้เป็นปรารมัทธบารมีคําว่าปรารมัทธบารมีหมายความมีอารมณ์ทรงสูงอย่างยิ่ง คำว่าอย่างยิ่งก็หมายความไม่เคลื่อนไปอารมณ์ที่มีอาการตรงกันข้ามไม่เกิดขึ้นกับจิตใจของเราถ้าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ครบถ้วนบริบูรณ์ทุกท่านก็เป็นพระอริยเจ้าขั้นอรหัตผลนีเดิมที่เดียวแล้วก็สอนกันมาแนะนำกันมาให้หลักการทั่วๆไป ไปเห็นว่ากว้างเกินไปในการปฏิบัติในเวลานี้บรรดาท่านพุทธบริษัทมีท่านปิสุสมันเลนอุบาศุกุบาสิกาที่มีกําลังใจคือบารามีแก่กล้านีนมีอยู่หรือว่าบางท่านที่ยังอ่อนยังย่อหย่อนก็ยัยยได้มีความเข้าใจในการปฏิบัติ เพ่อการปฏิบัติจริงๆเพื่อมักเพื่อผลถ้าขาดบารมีเที่ยวสิบรายการนี้แล้วทํำยังไงมันก็ไม่มีผลถ้าผลที่ยังมีเกับกำลังใจก็ได้แก่ผลหลอกลวงคือฟ้าทานคําว่าหลอกลวงนี่ไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาไปโกหกหมดเท็คไคแป่ว่ากําลังใจมันไม่จริง นี่ได้ว่าหยุดได้จากความโลภความโกรธความหลงอาจจะหยุดไปเพราะอารมณ์สบายชั่วคราวแต่ได้ว่าข้างหน้าต่อไปกลายเป็นมีทุกข์มีความโลภความโกรธความห ล, ลงหรืออาจจะหยุดได้กําลังงชานที่เป็นฌานโลกีกําลังใจยังดีไม่พอ กอากำลังเข้าไปกดความโลภความโกรธความหลงนี่ถ้หากว่ทยาศาตร์กันตรงๆก็ต้องมาพิจารณาคันห้าว่ามันเป็นทุกข์อันนี้ขันห้าเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าเราขาดธานุบรมีขาดศีนบรมีขาดเนคขมบรมีขาดปัญญาบรมี ขาดวิทยาบารมีขาดขันติบารมีขาดสัจจะบารมีขาดอดีฐานบารมีขาดเมตตาบารมีขาดอุเบกขาบารมีและอที่พูดวันนี้อาจจะมีหลายท่านเดี๋ยตอบว่าบารมีทั้งหลายเหล่านี้มีหมดครบถ้วนแล้ว แต่ก็อย่าลืมว่าบารมีนี่จัดเป็นสามชั้นคือบารมีต้นเรามีทานเรามีศีลแม่นกันแต่ว่าทานศีลมันบกพร่องมันไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ทั้งว่าบารมีอันดับที่สองที่เรียกว่าอุปาบารมี ทานสิงเขาเราดีครบทนแต่จิตใจยังไม่สะอาดพอยังไม่รักครนิพพานแต่หากว่าเป็นปรามาตมิบรบารมีแล้วไม่มีว่าการหวังผลใดๆในโล ก, กีวิสัยจะเป็นชาตินี้หรือว่าชาติหน้าก็ตามทีกำลังใจเขานัมนมีในกายเกาะ การกระทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพนิภานโดยเฉพาะทําด้วยจิตบริสุทธิ์ทําเพื่อหวังความสุขเรื่องความทุกข์ที่จะต้องห้ามหันกับสิ่งที่ตรงกันข้ามคือกิเลสเราจะไม่ท้อถอยวันนี้ก็จะขอพูดเริ่มทานบะเบมีก่อน เอาเข้ามาเปรียบเทียบกันกับอริยสัตว์อริยสัตว์ที่ เ, เห็นว่าร่างกายของเราเป็นทุกข์ร่างกายของคนอื่นก็เป็นทุกข์วัตถุธาตุที่เรามีความลหลงไหลฝ่ายฝันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์เพราะว่าเราหลงในกายของเรา เห็นว่าร่างกายนี้มันเป็นเราเป็นข้เราเรามีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราขอโทษด้วยว่ามีในเราเห็นว่าร่างกายที่ประกอบประเวยธาตุสี่ธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟมันเป็นเราเป็นข้เราและเราก็นั่งฟังความงูไว้ในจิตโดยที่เราไม่เคยคิด เพราะสิ่งท่านหลายเหล่านี้มันจะเสื่อมทั้งๆ ท, ท, ที่มันยังเสื่อมอยู่แล้วเราก็ไม่เคยคิดว่าสิ่งท่านหลายเหล่านี้คือร่างกายนี้ทั้งหมดมันจะต้องพังไปในที่สุดความเมาในชีวิตการมีอารมณ์คิดตรงกันข้ามกับความเป็นจริงเราจะได้ตั้งหน้าตั้งตาแบกความทุกข์ ทำว่าตามหน้าตามตามแบกความทุกข์กันเพราะว่าในเมื่อทุกเสียงทุกอย่างมันไม่เป็นไปเป็นไปตามความปรารถนาเราก็มีความทุกข์ใจเจนนันองค์สมเด็จพระจอมไตรยบรมศาสดาจึงได้ทรงแนะนำให้หาความเต็มในอารมณ์ของจิต ความเต็มในลมขั้นจิตใ น, นดับแรกจับจุดให้มันเต็มจริงๆเนื้อแท้จริงๆแล้วมันเต็มอย่างเดียวมันก็เต็มหมดถ้าเต็มหมดขึ้นชีว้ว่าความทุกข์ทั้งหมดมันก็ไม่มีเราก็มานั่งคิดว่าท่านบอกว่าร่างกายของเราจะมีเป็นเหตุของความทุกข์ เป็นเครื่องรองรับความทุกข์ก็เพราะอาศัยตัณหาเป็นสำคัญเราก็มานั่งดูคำว่ า, าตัณหาตัณหาแปลว่าความทะยานอยากอยากจะรวยไม่อยากรวยไปยังไงคนที่อยากรวยจริงๆ ไม่ได้มองหาความจริงของความตายที่มันจะเข้ามาถึงแล้วก็ผลของความร่ำรวยเนะี่ยไม่ได้เป็นปัจจัยของความสุขผลของความร่ำรวยมันเป็นปัจจัยของความทุกข์เรเคยคิดบ้างไหมเคยได้ยินบ้างไหมว่าคนรวยคนไหนไม่แก่มีไหม คนที่เขาร่ำรวยที่เขาไม่ป่วยไม่ไข้มีไหมคนที่ร่ำรวยไม่ตายมีไหมนรืว่าคนที่ร่ำรวยไม่มีอาการเคลื่อนไหวทางจิตคือมันมีแต่รมเป็นไปตามความชอบใจของเราเสมอมีบ้างไหมถ้าจะพูดกันไปก็ไม่มีใครที่ไหน มันหาไม่ได้คนที่รวยแสนรวยในตายนับไม่ทวนเราได้เคยได้ฟังมหาเศรษฐีตายคนที่มียศใหญ่ตายคนที่มีอำนาจวาสนาบารมีใหญ่ตายทำไมเขาจึงตายเท ถ, ถามว่าเขาอยากตายหรือ ก็่าตอบได้ทันทีว่าคนพวกนี้ไม่อยากตายในเมื่อไม่อยากตายแล้วเขารวยทรไมจิงตายทำไมแม่ความนํารวยไปช่วยไม่ให้ตายก็ยจะต้องตอบว่าทรัพย์ที่เป็นโล ก, กีวิสัยไม่สามารถจะช่วยอะไรหรือไม่สามารถจะป้องกันกฎคนธรรมดาได้ ในเมื่อกฎธรรมดามันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงเป็นทรรมกลางมีการสลายไปในที่สุดทั้งร่างกายของคนร่างกายของสัตว์บระวัตถุธาตุต่างๆมีสภาพเสมอกันกฎธรรมดามีอย่างนี้จะมีทรัพย์อะไรที่ไหนแม้แต่พระเจ้าจักรพรรดิ ซึ่งมีอำนาจปกครองคนทั้งโลกพระเจ้าจากาักรพรรดิก็ตายเราก็มานั่งมองว่าตัญหาตัวที่หนึ่งนั่นก็คือทะยานอยากมัวเมาอยู่ในทรัพย์ในสินคิดว่าถ้าเรารวยเสร็จแล้วเรามีความสุขความจริงรวยไม่ไมีความสุขรวยก็ไม่สุข ไม่รวยก็ไม่สุขไม่ได้เพราะว่าถูกแค่ถ้ารวยกำลังใจในการให้ทานมีความสุขวิธีหาความสุขเขาไม่ได้หากันชาติหนาเขาหากันชาตินี้การที่จะไปนิพพานน่ะ่าไปม่วงเอานิพพ า, านชาติหนา ถ้าชาตินี้จิตใจมันไม่ถึงนิพพานชาติหน้ามันก็ไม่ถึงนิพพระธาตุเป็นไปในความดับคําว่าดับในที่นี้ว่าด้ดับชีวิตดับอารมณ์คิดที่อยากจะมีความร่ํารวยถ้าการตันหาทายาทอยากเป็นตัวดึงเข้ามาดึงทรัพย์ดึงสิ่เข้ามาสะสม แล้วก็มีความมัวเมาในทรัพย์สินมัวเมาในชีวิตคิดว่าทรัพย์กับเราจะไม่แยกกันบางคนรวยเป็นมหาเศรษฐีแต่ว่าต่อมาปลายมือก็เป็นยา จ, จกก็มีบางคนรวยแสนรวยแต่หาความสุขอะไรไม่ได้เลยก็มีเวลานี้มีมาก ถ้าหากว่าท่านจะเข้าไปในบ้านก็เข้าไปถึงกำลังใจขมันดามหาเศรษฐีทั้งหลายจะรู้สิว่าท่านมหาเศรษฐีทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีความสุขเพราะไม่มีคำพอพอมีอารมณ์เป็นทุกข์ตามที่พระรัฐ บ, บาแตรีกัะเจ้าโกรเพียว่าโลกพล่องอยู่เป็นนิจโลกเป็นท่ายอทอดัญหา เพราะฉะนั้นอาตมาจึงบทในพระพุทธศาสนาตัดความพร่องตัดความเป็นทาสถ้าเราจะทำทานบารมีให้เต็มเราทำยังไงต้องรักษากำลังใจให้มันตรงการที่เราจะเอาชนะต้องชนะกันจริงๆไม่ใช่เวลานี้ชนะและเวลาหน้าแพ้ อารมณ์ใจต้องเต็มวยความเสียสละอารมณ์ใจต้องเต็ม้วยการสงเคราะห์ไม่จิตคิดไว้เป็นปกติว่าชีวิตนี้ช่างชีวิตร่างกายทุกจุดอิริยาบถ ท, ทุกอิริยาบถ ท, ที่เราเกิดมาเป็นคน เราเกิดมาเพราะตัณหาคือความอยากรวยความมัวเมาในทรัพย์สินความมัวเมาในร่างกายเป็นปัจจัยให้เราเกิดมาเป็นทุกข์เราจะแสวงหาความสุขความสุขนี้ไม่ใช่แสวงหาชาติหน้าแตแสวงหามันเดี๋ยวนี้ อันดับแรกในระยะตนเราจะทำความรู้สึกในใจของตนว่าเราจะเป็นผู้สงเคราะห์ทั้งคนและสัตว์ให้มีความสุขตางกำลังที่เราจะเพึงหาได้ในเมื่อเสียงทั้งหลายเหล่านั้นไม่เกินวิสัยสาหรับเราและว่าก็มันแล้วก็มันเป็นการเกินวิสัยสาหรับเขาที่เขาจะช่วยตัวเ อ, องได้ เราก็ช่วยต่างกำลังช่วยเต็มช่วยมากไม่ได้ก็ช่วยน้อยช่วยบ่อยไม่ได้ก็นานๆช่วยแต่ว่าใจเขาเราคิดจะช่วยอย่าทุกอารมณ์ลมให้ใจเขาออกคิดประกอบด้วยความเมตตาปราณีอย่าจะสงเคราะห์เขาไม่มีความสุข ขึ้นชื่อว่าอ า, ารมณ์แห่งคันมัวเมาในทรัพย์สินคิดว่าทรัพย์สินกับเราจะอยู่ด้วยกันตลอดกาลตลอดสมัยไม่มีในจิตของเรานั่งมองดูความจริงว่าคนที่มีทรัพย์ก็ตายไปก็แบบอะไรไปได้บ้างถ้าหากว่าเราเริ่มต้นในการสงเคราะห์ความสุขก็เริ่มตามมา ความสุขที่จะตามมาในชาตินี้นั่นก็คือความสุขที่เกิดความรักและนันดับแรกการให้เป็นปัจจัยให้เกิดความรักการยื้อแย่งเขาเ ข, าเข้ามาเป็นปัจจัยให้เกิดความโกรธนัน <c oughs> ก็มานั่งมองว่าคนที่มีคนรักมากกับคนที่มีคนโกรธมากคนประเภทไหนจะมีความสุขกัน <c oughs> อย่างนี้อธิบายไม่ยากว่าคนที่มีคนรักมากมีความสุขอันนี้เป็นสุขเบื้องต้นในชาติปัจจุบันที่เราจะมองเห็นว่าถ้าทานบารมีเขาเรามีอยู่เป็นปกติแตก่ก็เราจะเป็นที่รักคือทั้งกล่าวว่าหนึ่งผลของทานปิโยจะได้เป็นที่รักของบุคคลทั่วไป สองกิตปิสโัโธชื่อเสียงของคนที่มีใจดีปรารถนาในความปราณีบุคคอนันไหนจะฟุ้งกระจอนไปถ้าสามมีสารโธจะเป็นผูก้กล้าในมนตในหมู่มนชลเขาไปไหนก็มีแต่คนรักที่ไปกลัวไหนกันเสียสมุนโหเมื่อเวลาจะตายไม่หลงตาย นส่นแสดงว่าเดิมหน้าทานบารมีให้กําลังใจคนหนึ่งเป็นที่รักให้เมื่อเราเป็นที่รักของคนอั้นหลายเราก็มีความสุขสองกิตติสิกิตติสโสเมื่อความดีฟุ้งกระจายไปไปที่ไหนก็มีแต่คนชอบใจอยากจะคบค่าสมาคมอยากจะคบหาด้วยอยากจะเกื้อกูลอยากจะสงเคราะห์ จะไปพักที่ไหนจะไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนรักเขาเชื่อเสียงพุ่งไปแม้แต่เขาทั้งหลายเหล่านั้นยังไม่รับรับผลจากการให้ของเราเขาก็ชอบใจเรามีความสุขและความทุกข์นี่มันก็เริ่มมีความสุขนีสารโทรจะไปไหนก็มีแต่ความองอาจไม่หวาดหวั่นต่ออันตรายเพราะว่าไม่ต้องเกรงใครมีคนรักเสียแล้ว ไอ้ที่ไหนมีแต่คนนักอันตรายที่ไหนก็ ม, มีเหตุแสามรายการนี้ทำอารมณ์ใจให้เป็นสุขก็สี่อาสรมโหว่าจิตมันเป็นสุขจิตไม่มีอรารมณ์กระสับกระส่ายจิตไม่มีความระแวงระาวายัยจิตไม่มีความเ ร, ร้ร้อนอ า, ารมณ์ใจก็เป็นสุข เวลาตายไม่หลงตายทั้งนี้เพราะอะไรเพราะทานบารมีที่คุงกำลังใจเขาเลยเช่าทิ้งจุดดับดับตัวไหนดับตัวทุก์คือหมายที่ว่าดับอันตรายเพราะจิตใจของเราคิดจะให้แล้วก็ให้อยู่ที่ว่าทรัพย์สินเขาบุคคลใดก็ดีเราไม่เคยคิดอยากจะได้ ถ้าจะได้ก็ต้องอาศัยเจ้าของเป็นผู้เต็มใจให้แล้วการจะรับก็ต้องมองดูว่าควรรับหรือไม่ควรรับถ้าสิ่งที่เขาให้มันเป็นการเกินวิสัยฐานะของเขาเราไม่ควรรับเราก็ไม่รับเพื่อเป็นการรักษากําลังใจของบุคคลผู้ให้นั้นน้ําใจของเราก็มีจิตคิดไว้เสมอ ว่าวัตถุธาตุทั้งหมดมันมีประโยชน์แต่เฉพาะในเวลาที่เรามีชีวิตเท่านั้นร่างกายยังทรงอยู่เพียงใดวัตถุธาตุทัท้นหลายสามารถทำสามารถให้โอกาสที่เราจะใช้สอยมันแต่ถ้าว่าเราก็ใช้สอยได้พอควรมามองดูความเกิด อย่าลืมความเกิดร่างกายที่มันเกิดมาทุกข์ขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยเราอยากจะได้อยากจะดึงเข้ามาเนี่ยเราสามารถจะผลักอารมณ์ที่รักในวัตถุความจริงเรารักแต่ทว่ารักเฉพาะในกิตที่มีความจําเป็นแต่รมุมรักในความสะสมไม่มีจิตคิดไว้เสมอว่าร่างกายนี้ไม่ช้าก็สลาย ถ้าสี่พังไปอะไรมันจะเหลือทรัพย์สิ่งนั้นหลายที่มีอยู่จะมีประโยชน์อะไรในเมื่อในเมื่อร่างกายพังแล้วฉะนั้นองค์สมเด็จพระบัณฑิแก้วทรงเห็นประโยชน์ในเรื่องนี้จึงสอนให้รู้จักการเสียสละเพื่อสละทรัพย์ให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่น แต่อว่าการให้ตอ้องรากษากำลังใจให้พอเหมาะพอดีอย่าถึงกับการเบียดเบียเกินไปอารามบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายการใช้อริยสัจคือสกายติทิร่วมกับทานบรมีเป็นการตัวตัดที่สำคัญถ้ากำลังใจขารบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน ต้องค่อยๆตัดจั่วทั้งหมดความเมาเห็นทรัพย์เห็นท่างหลายก็มองหาประโยชน์ว่าทุกชิ้นทุกอันที่เป็นวัตถุขึ้นมาเราคิดว่านี่เป็นปัจจัยคือเป็นเชือสายเป็นทุนให้เราตัดความทุกข์เราจะแสวงหาความสุขในชาติปัจจุบันคือเกื้อกูลซึ่งกันและกันให้มีความสุข ถ้าเราสามารถจะเครื้อกูลกันซึ่งกันและกันได้เป็นปกติจงึงทั่งจิตไม่คิดเส้นใดของที่ให้ไปอย่างนี้เชื่อจิตใจของท่านหลายเข้าถึงความดับที่เราเรียกกานิพพานเป็นดับจุดหนึ่งคือกําลังเขาตัณหาที่จะดึงขมาที่เรียกว่าความโลภอะระบรรดาท่านพุทธบริษัทธท่านหลายโดยทนนา สำหรับการที่บายกันมาเวลาจะเกินไปสักหน่อยหนึ่งหวังว่าท่านหลายยังมีจงวิงคงมีความเข้าใจเห็นว่าจะไม่ยากเกินไปเวลานี้ก็หมดเสร็จแล้วต่อที่นี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเขา้า ใ, ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัจฉริยะสายยิ่งกว่าจะถึงเวลาที่ท่านท่านเห็นว่าสมควร